นะโมตัสสะทวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะสัทธวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะทวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ปัมมานุพุทธะปัมมานุพุทธเถวปัมมาน r ธรรมโอปัมมานุสังโฆติติมัสสะธรรมะปริยัตสะอโศสะทายสสะมันตยิสัพพัญธมโอโสตโธ ปเป็นโอกาสที้ไปเป็นโอกาสที่เวลาที่เป็นงมงค์นเป็นเวลาที่เ ง, งียบสงบสนัดเป็นโอกาสที่จะได้สำหรับนักฟังโอว่า เป็นธรรมซึ่งเป็นธรรมคาสอนของงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาภาพจะได้นำมาสีแจงแสดงการสมควรแก่กาะเวลาการเรธรรมะมสวรันการฟังธรรมะ ตามการตามเวลาที่เหมาะสมหรือเวลาที่สมควรย่อมนำมาสร้างความเป็นลมงคนแก่ชีวิตจิตใจของเราสูงสุดการธรรมก็เอาใจของเราฟัง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 นี่ว่าเป็นเสียงธรรมะที่ให้เกิดความสงบสุขทางจิตใจจากการได้ยินได้ฟัง้ถ้าเป็นเสียงของธรรมเป็นเสียงของพิเรนีให้เกิดความ้างใจเสียงดุเสียงด่าเสียง ว่าเสียงต่าปิดสิงอินทียงต่างเสียงโซเสียรุกลงชงเสริมให้เข้าใจจิตจากความเป็นจริตามเหตุแลผลยินให้ฟังแล้วก็จะม่เอียงใจ หูใจแห้งใจเสียงพอดีหูพอดีใจที่เป็นผู้รับรู้สัมผัสจากเสียงสัมผัสหูรวมในเรืวว่อเป็นธรรมะ เป็นสภาพที่สรงไว้ซึ่งความจริงของแต่และสิ่งทุกอยาก่างเพราะฉะนั้ น, นาการฟังธรรมะที่ว่าให้เราใจฟังทุกท่านทุกค น, กคนมาในสถานที่แห่งนี้มาด้วยใจ ด้วยใจมาด้วยเจตนาอันดีที่เกิดขึ้นดีใจหรือมีใจเป็นผู้รู้ในเจตนาท่านั้นว่าเรามาในวันนี้มาสู่วัดธรรมสุขีแห่งนี้และก็มาเพื่อแสดงบอก กันดูกตวเวที่ตางคณหรือกันดูกตวเวที่ตางำคือความรู้สึกนึกนคิดในคุณของพระพุทธิจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระภิียุโสมสาวก คุณของพระบุรพาจารย์ผู้วาจารย์ที่เป็นที่เคารพศรัทธาเป็นผู้ให้โมระดกทำเป็นตัวเตอือนที่ได้ช่วยแนะนำท่องสอนคำฟงางรู้จิต เป็นความรู้ถูกความความเป็นจิตเป็นความเป็นถูกเกิดขึ้นภายในดวงจิตดวงใจของพวกเราเมื่อมาเราเลึอกถึงคนนุณธรรมที่ต่ามาใจของเราความรู้รู้เรื่องใจของเราเนี่ยดได้ มีเจตนาอันดีคุณได้สั่งการหรือบังคับบัญชาให้กายของเรามาสู่สถานที่แห่งนี้ใจก็มาด้วยตายมาใจก็มาด้วยหรือใจมาหรือตายก็มาด้วยเท่ากับเราเอากา้เอาใจของเรามา หรืออีกยาหนึ่งก็เรียก ว, ว่าเรามาด้วยธรรมด้วยธรรมคกายเป็นรูปธรรมใจเป็นานามธรรมเมื่อมาแล้วก็มาเพื่อเพิ่มพูณบุณพู้สนงามทางดีเพื่อ ได้ให้ทานเสืสะาวัตถุทานแล้วก็ได้ทําไปแล้วเพื่อได้สมท า, านเจตนาหมดเว้นแบบก่แบาทแก่โทษทางกายาวาจาและทางทจิตใจเพื่อเจตนาสมทานสินทาบท น่าประการหรือแต่ประการที่เรียกมถานีเป็นปต่ศีหรืออัตถศีบริสุศีลโน้นเว้นแต้อย่างแต่ยามไม่มีเจตาการสมถานไสังรวมเพืปฏิบัติรักษาัรวมกายสัรวม อาจารย์สังรวมจิตใจให้มีสติความรู้ทุลุ่ยให้มีเจตนาควบคุมใจของเราใจควบคุมอาจารย์ควบคุมกายใานทางระดับเพื่อให้เกิดความเป็นบุญหรือความเยียบวยนเป็นสุข ทางกายทางวาจาและทาจงจิตใจเดียวกับเป็นศีลศีลคือความเย็นศีลคือความบริสุทธิ์จากโทษจากบาปเราประดับสังรวมทำให้เกิดให้มีขึ้นในรูปรธรรมนามรธรรมคือกายกับใจของเราแล เราได้บุญนได้ความปีติเอออินจากทานการให้การค้ำการเสียสละวัตถุสิ่งของภายนอกเรียกว่าออกมาจากจิตใจจิใจเป็นตัวเอง มีใจเป็นต้นเหตุมีใจเป็นต้นปัญหามีใจเป็นฐานที่จะทำให้เกิดบุญคือความสุขเกิดกือสนเกิความชราเรารูในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นด้ความจริงรู้ตามความเป็นจริงในเหตุลผลต่างๆอาสัยใจ มีความเวสละกอาศัยใจมีความสมรวมมีความรวังมีความรกรู้มีความระลึกรู้และที่นี้เมื่อเพื่อให้เกิดความเป็นบุญอันยิ่งคือให้เกิดความสุขอันยิ่งเกิดจากปัญญา ยาที่เกิดจากจิตใจของเรานี่หรือว่ามีอยู่ในจิตใจของเราเนี่เความสลายเพื่อความรอบรู้ที่จะเกิดขึ้นได้ที่จะรอบรู้ให้มีความเสียวสลายนมีความรู้เท่ารู้ทันรู้เสียแลงในเหตุและผล ซึ่งเป็นธรรมชาติตามความเป็นจริงาสายปัญญาเพราะฉะนั้นการฝังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้ได้สิ่งปัญญาความรู้ความเข้าใจหรือทำให้เกิดความรู้ความเห็นที่ถูกต้อง ตามในโอมทัที่ท่านกล่าวไปว่าปัญญาสมาธิรือว่าสมาธิคือปัญญาเหืนชอบเห็นชอบตามความเป็นจริงของสัจธรรมเช่นเห็กผู ทุกคือสิที่ทนไมยายด้ทุกคือความเล า, าร้อนความจิต อ, อัดอั ด, อดอตั้งใจความเสื่องเสื่อยร่วมอยดเป็นทุกข์ในที่ท่านแสดงไว้ในคู่ พ, พ, กกนนพระเยยเสรัจก า, ารโคตรนิแดนดูขขั้มระยะสุดยั่งชาริปีติาุขะชาติทิฏฐคดุขะมรณันติดุขะ สก้าพิเรเวทุกขโทมานะตุปายาสัตยุทธังปฏิเยหประโยโวุโคปิเยหิตเปยโวุโคยมิชังนราคติการอุถังนี่จะเป็นอาการแห่งความทุกข์ด้วยความร้อนร้อนด้วยความสายแสบด้วยความกงวลกระวลด้วยความผิดแลาขท้นตังใจ มันได้เรื่องนอนหลอดโป่งเป็นความโล่งตวามสบายรวมในเรื่าเกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเรามีใจเป็นผู้สัมผัสรับรู้ในอาการแห่งทุกขที่เกิดขึ้นคือวยการจิตตุคขา ทุกควาเกิดชาติควเกิดคือมีความเกิดขึ้นมาอันเดียวเท่านั้นแหละทุกทั้งหลายรวมลงในการเกิดทั้งติโยกธาติปุขาสุเมตุตุลย์มีการเกิดขึ้นมาีรูปมีตายจิตใจในสัมปชัญญ ด้วยควมามทานกรมที่ได้ตะธรรมที่ได้สัสมที่ได้บงค่าสมาคมที่ได้สัมผัสอยู่เงื่อนเมือเลยเป็นเกิดเป็นมิสัยเป็นอ น, นุสัยเป็นที่จิตใจของเราทเทวะเกิดขึ้นจากกรรม ประทานมีกรรมคือการกระทหรือการนึกการคิดการรฤทธิอยู่สัมพันธ์รับรู้อยู่เงือนเงื่อนสัมพันธรับรู้อยู่ในส่วนที่ดีเป็นผู้สนจะเป็นเย่ให้เกิดความสบายใจความจริงใจความ ลอยโปรงใจไปสัมผัสสัมัอยู่บเร่งที่เป็นกุศลก็ให้เกิดความเหนียวแความปวดความเความโรคความล้มิหรือิิมานทิิความตัวถือตนก็จะเป็นเหให้เกิดความ เศร้าหมองเกิดความคัดเคลื่อนเกิดความทับแทรกใจคัดเครงใจมันมีกรรมกรรมอยู่สองอย่างกรรมที่เป็นบุญหรือกรรมที่เป็นบาปเรียกว่ากุศลกรรมกรรมชราในการทาความดีในการคิดดี ในการรู้ดีอดุสสนระกังความไม่ส en ล en ัดความหลงความยึดความถือรูปตัวถือตนไม่มีความสลัดในการนึกการคิดในการรู้ในการกระทําจะทาให้เกิดความเศร้าหมองความ มุ่นายความร้อนรอรอรอในจิตใจของเรา ใ, ใจท่านันเป็นที่รวมหรือว่าใจเป็นฐานใจเป็นต้นเหตุใจเป็นประธานใจธรรมดาด้วยตามธรรมชาติตามธรรมดา ใจของเราเป็นธรรมชาติรูปแต่ไม่มีตัวไม่มีตนไันเห ม, มนมรูปร่างกายรูปร่างกายมันมองเห็นเป็นตัวเป็นตเนตเป็นรูปที่ว่ารูปประธรรมก็สามารถมองเห็นด้วยจักษุเนื้อคือตาและมารรู้คำตู่ต้องได้ด้วยได้สัมพันธ์ ในเร่เป็นรูปกระทัส่วนใจเนี่ยรูปคำด้วยมือไม่ถูกตามองตรงไม่เห็นแต่หากรู้ด้วยใจเองมชาติรู้ใจคือความรู้ความรู้ดีใจเพราะนั่นคือว่าความรู้รู้ใจใจอ่อน่หใจคือความรู้ ใจรู้ใจใจรู้ใจใจสัมผัสใจอันนี้แหละเป็นเห่เป็นประธานเป็นแห่ปัจจัยที่สำคัญมีความเป็นใหญ่ในสิ่งทั้งหลายท่านพวงเคือใจมโนุูผังธรรมธรรมามโนเสฐามโนมายา ทั้งหลายใจเป็นใหญ่ใจเป็นฐานรองรับเป็นที่ประสมแหงบุญกุศลความดีและความชั่วทั้งหลายสุ่แล่นทุกประสมรวมลงมีใจเป็นรู้รับรู้สัมผัทนั้นเมื่อใจเป็น ฐานที่สําคัญเพราะท่านจึงต้องมาการประพฤปฏิบัติธรรมรู้สร้างบุญกุศลพลังปานบีก็ทําเพื่อใจสร้างบุญสร้างเพื่อใจฟังเทศฟังธรรมะก็ฟังเพื่อใจใจรู้ใจสลายเจริญเมตตาภาวนาก็เจริญเมตตาภาวนา เพื่อให้ใจของเราสงบสงัดจากสิ่งที่เป็นท่าสุขของใจสงบสงัดจากสัญญาอารมณ์ความคิดปรุงแต่งไม่มีที่จดที่สิ้นก็งต้องมาฟังเทศฟังธรรมจึงต้องมาบปฏิบัติเอเมตตาภาวนา เกิดเป็นการอบรงจิตใจของเราเพราะฉะนั้นขณะนี้เราฟังธรรมะเรฟังด้วยใจดังที่ตามาแล่แแล่ใจน้องใจสติรวมเข้าสู่ใจของเราความรู้ที่เป็นธรรมชาติรู้ธรรมชาติเดิมคืวใจมีความรู้ที่แน่แน่ เป็นหนึ่งแต่ที่นี่มีอาการของใจของความรูน้นที่ส่งสายแสบแต่ยับรูปตามสิ่งที่สัมผัสตะทางหมูตางทางกายหรือว่านึกคิดขึ้นมาภายในใจ เีก่าอิทธารมณ์อาิทะารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเส้นขนาดนี้เรานั่งหลักตาอยู่กาหนดรูปความตัม้สธธรรมแต่บังเอิญมันแย้มไปความรู้มันไปซ้ำแผลโน่นตั้งแต่ปีกาหรือตั้งแต่วันที่ผ่านมานี้เรื่องโน้น เ, เรื่องนี้เน่ยก็ประจักษ์สีนั่นเป็นเครื่องรูปเป็นเครื่องบันลึก กำลังนึกคิดพุ่งอยู่ในจิตไปตามอารมณ์นั้นก็เลยลืมจากอารมณ์ที่กําลังฟังธรรมะอยู่หรือว่าลืมอารมณ์ที่สัมผัสกับกระแสแห่งธรรมะในปัจจุบันนี่เรียกว่ามันเป็นกระแสของความรู้หรือว่ามันเป็นแสงเป็นกิริยา ที่ออกไปจากความรู้เดิมที่เป็นฐานดีใจของเราเนี่ยไปสัมผัสกับสิ่งที่ร่องรอยกับสิ่งที่อยู่ข้างนอกภายนอ ก, นอกเพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีต้องรู้อยู่เฉพาะปัจจุบันใขนขณะนี้เดี๋ยวนี้ความรู้ดีใจของเราเนี่ยว่า เมื่อรู้ด้วยเหตุด้วยผลรู้รอบในตนทั้งภายในภายนอกถึงเรียวกว่าเป็นความรู้แห่งความตื่ น, นธธความเบกิกบานเป็นทุทธคาว่าทุทธก็คือใจคือความรู้รู้ตื่นเบิกบานรู้ละรู้วาง สิ่งที่เป็นโทษทั้งหลายรูปเหตุและผลรูปโทษและผลให้ศีิทั้งหลายท่านพวงแล้วก็เป็นผู้เบิกขาอยู่เฉพาะความรู้ของตนเองอันนี้เรียกว่าความรู้เป็นพุท้าพุท้าคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ ผู้ตนผู้บริบาลเป็นผู้ประกอบด้วยพระปัญญาคุณและพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณเป็นพระมหากรุณาธิคุณทันบริสุทธิ์หมดจดไม่มีเหตงปัจจัยที่จะทําให้เกิดความร้อน เกิดจิวิยาแห่งความไม่บริสุทธิ์แห่งความเศร้าหมองไม่มีเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันบริสุทธิ์หมดเกิดจันอาสวะทัานหลายและคําว่าพระบริสุทธิ์ที่คุณก็คือบริสุทธิ์จากอาสวะเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายทัานปวง ทำที่ว่าพักปัญญาคุณก็เกาด้วยพักปัญญาคุณก็ปัญญาที่พระองค์ได้สร้างสงมงบุกสมบูรณ์บ่งอินทรีย์แห่งปัญญาบา ร, รมีนั่นเองเรียกว่าสร้างสมบุกสบูรณ์บ่งถึกถัดปฏิบัติชรรมระด้วย สติสมาธิปัญญามาโดยลำดับจนเป็นพักปัญญาคุณอันบริสุทธิ์คือปัญญาไม่แฝงส้อนปัญญาไม่มีความเศร้าหมองไม่มีอาสวะแฝงส้อนอยู่ในปัญญานั้น จรงเรียกว่าปัญญาบริสุทธิ์ปัญญาที่ไม่บริสุทธิ์คือปัญญามีปัญญาอยู่แต่ปัญญ า, ญญาที่ยังมีความ โ, โรคโกรธหลงมีความรูปกิเลสทรกซ้อนอยู่ในปัญญาจึงเป็นปัญญาของกิเลเป็นปัญญาของมารเป็นปัญญาของสมุทยัย ในโลกเกิดเป็นปัญญาโรกีที่เา ป, ปัญญาโรกีที่พวกเรามีอยู่ปัญญาที่เราใช้วินิสยัยที่มิตรวิจารณาเทียควรเพื่อะกอบกิจการงานในโลกเมธประสาทปัญญาเหมือนกันอนี้เรียกว่าเป็นปัญญา โลภียะว่าเป็นปัญญาของกิเลสอยู่นั้นประกอบด้วยอาสวะหรือควไม่บริสุทธิ์อยู่ส่วนปัญญาโลพุตระปัญญาแห่งความเป็นพุท ธ, ธานั้นเป็นปัญญาที่รูปเหตรูปปัจจัยรูปที่เกิดและต็รูปผลที่เกิดจากเหตุนั้น ่ปัญญาลู้รอบในจิตในใจของตนเองอรู้เห็นอนิจจรทุกข์ทุกข้นิันาร์การความาเป็นจริงรู้เรื่องทุกข์รู้เรื่องเห้หเกิดทุกข์รู้หอนทางที่จะประทุกปฏิบัติทำให้ถึงขึ้นความดับทุกข์ เป็นปัญญาโรขุตละเป็นปัญญาที่จะนําไปสู่ความบร um ิสุทธิ์หมดจบโดยสิ้นเชิงได้เมื่อบริสุทธิ์หมดเกิดเป็นปัญญาทั้งที่กล่าวเป็นเรียกว่าเป็นพุทธะเป็นปัญญาแห่งพระพุทธเจ้าหรือเป็นผู้รู <X. S 1> ้เป <fen> ็นความรูกของพระพุทธเจ้า เป็นพระมหากรุณาที่คุณของพระพุทธเจ้าพวกเราจรึงได้ึพาใสาพระพุทธเจ้าือวบาคุณของพระพุทธเจ้าตามาสิกิโยคิวะอัปมาโนโธโธิโคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณคือคุณแห่ง พระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณธระมหากรุณาที่คุณนั่นเองไม่มีประมาณอะไร่เตียงเทียบเท่าเสมอเหมือนไม่มีที่พวกเราได้มารูดีรูดชั่วรูดติดรูดผูกรู้บาตรูดบุญรูดคุณรูดโทษ ร, รู้ว่าสิ่งนี้เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์สิ่งนี้เป็นเหตุให้ สมองระงับทุกข์เห็นให้เกิดความสุขบามบริสุทธิ์เห็นให้เกิดความรู้ตื่นเบิกบานเราได้ขึ้นพาใัยมีผู้เผยพระคือท่านผู้รู้ตื่นเบิกบานแล้วมีข้อด้วยความบริสุทธิ์หมดเกินแล้วนำมาประการสอนธรรมะด้วยความอุตสาหาัน มีญาติไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเหนื่อยเหนื่อยของน้อองอย่ u พูดติ่งเจ้าเม่อท่านรู้ตื่นเบิกบานแล้ท่านได้นำธรรมมาสอนใจพุทธบริษัททั้งหลายลองกำหนดดูลองกำหนดทำอนุบาลสัญญาของเราดูว่า เมื่อพระองค์ได้แัดสรูแล้วได้รู้เข้าใจในอริยรสัจธรรมทั้งสีประการและได้ทรงสเสด็จ ด, ด้วยพระบาทในเรื่องตนเปนโตรปัญจวักทีที่นิสีธรรมะที่ปาศิสิปัญหาในตระกายวันแปวงเมืองพราณาสีย น, นทรงสเสด็จจากหุ้วเวลาเสนาณีคมแห่งเป็นมคต เป็นถึงป้นกาสีเป็นเวลาแลงเดือนที่สเสดเกิดพระบาทด้วยพระเมตตาคุณพระมหากรุณาทิกุทของพระองค์นั่นเองก็ททำที่พระองค์ได้รู้แล้วได้เข้าใจแล้วได้เห็นแล้วได้ทำที่สุดแห่งพุกโดยสิ้นเชิญแล้วแต่ไปประกาศไปสอน ผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจเห็นว่าคือสีทั้งๆที่เรียกว่าปัญจาวัคซีที่คอยอุปถัมภาพระองค์อยู่ในข่าวก่อนนั้นที่เมืองพาราณสีเป็นผู้ที่จะมีอีกสีคือปัญญาที่จะสามารถรู้เข้าใจในธรรมะที่พระองค์ทรงสแสดง สามารที à, àn, m, ่จะทำปัญญาให้แก่งแก่งนันเป็นปัญญาบริสุทธิ์ได้พระองค์จริงเสด็จด้วยพระบาทไทยตัวจริงไม่เห็นแก่ความเหนื่อยเลยทุกข์ยากลำบากของพระองค์เลยในประเทศสอนปันโหรคีทั้นห้ามีพระยาโปลัญญาจนในรู้ได้เข้าใจในธรรมะ คืความเห็นผูกเป็นขอ<ม>้อเกิดขึ้นภายในดวงใจของพระอัจฉริย์สัญญ า, ว, า, าว่า<ม>สิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั<ม>้นก็ต้องดับ<ม>คือถ้ามีการเกิดก็ต้องดับคือถ้ามีขึ้นแล้วต้องมีเสือ่อมต้องมีไม่มีพ้าว่ามีก็ต้องมีไม่มี ไม่มีกับมิกับเทอมีอยู่ด้วยกันถึงว่ามีความเกิดไม่ควมีความเสื่อมความดับาะท่านพระยาคนลแหยะท่านได้ฟังธรรมะเนื้อหาในยร็ธรร ม, ามจากกับปวตนสูมนันว่าความกิงสี่ประการทุ่์สมุทยัยมีโรธ ในมรรคนั้นต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจสัมมาคัมมันโตสัมมาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่ในอริยสัจคือความจริงทั้งสีประการปัจทุกันคือความทุณญาติซึ่งเป็นทุกขสัจเป็นความจริงดู สิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นเนต้องมีความเปลี่ยนแปลงแปรปวนต้องเปลี่ยนแปลงแปรปวนนี่แหละเป็นลักษณะเนอาการแงความทุกข์คือคนอยู่เป็นปกติตลอดอนันตการไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปถึงว่าเป็นความทุกข์มเมื่อมันมีทุกข์นี่ยมันจึงมีไม่เทีย่ยงหรือมันมีไม่เทีย่ยงมันจึนเป็น เป็นฟุกมันจริงไม่เป็นสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราตามสมมติที่ความหลงแมื่ก่อเกิอดอุปท า, านความเขอาประยุทธ์มั่นถือมั่นว่าร่างกายนี่หรือจิตใจนี่เป็นเราเป็นของของเรานความเป็นจริ รู้ตามเป็นจริงแล้วระเดแม่ร่างกายของเราเนี่ยก็ไม่เป็นเราไม่เป็นของของเราวิือจิตใจที่เป็นผู้รู้รู้ธรรมชาติรู้ก็ไม่ได้เป็นเราไม่เป็นของของเราถ้าเป็นอะไรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติของจริงของเขาคือความไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรทั้งนั้นที่ว่าเป็นนั่นเป็นนี่มีนั่นมีนี่ เราไปสมมุติต่างหาสมมุติขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อสมมุติมี่มันเกิดขึ้นด้วยสมมุติมันก็ต้องดับถึงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับอยู่ร่างกายมีการเกิดขึ้นด้วยการไปซุ่มแห้งขาดมีนน้าไปลงอากาศธาตุและก็มีวิญญาณธาตุที่ธาตุรูป เข้าม า, าศส่กันเป็เป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นธาตุที่มีชีวิตเคลื่อนไว้ไปมาได้รู้สึกนึกคิดอย่างในตัวของเราแต่ละท่านแต่ละคนนี่ขณะ น, นี้เรามีความรู้สึกนึกคิด ม, ค ม, มีความเสวยความเจ็บความปวดความทุกข์ร้อนไม่สบายสามารถเสวยสัมผัสได้ เพราะมีกายกับใจ้ังประยุ์กันอยู่มีมันตื่นเป็นทุกเมื่อมันมีการเกิดขึ้นอย่างนึ้งเกิดว่ามีทุกข์อยู่ในตัวของเขาและความมีความดักไปถึงว่าเกิดขึ้นดันไปให้ใช่ตัวตนนี่จะรู้จะเห็นได้ด้วยปัญญา ปัญบริสุทธิ์คือปัญญาที่เป็นมรรคเป็นมรรคปัญญาในมรรคคือว่าสีสมาธิปัญญามีคมเป็นจริงทุกความจริงทุกนี่มันมเป็นผลแต่ยกขึน้นใเืองต้นเพื่อให้สาวหาเหตุเพื่อให้กหนดรูปิาไปถึงเหันว่า ทุกคนตนองรู้ตนองรู้ว่ามันคนอยู่ได้ยากเป็นทุกข์เจ็บปวทรวดราวหรือแตกดับทลายไปเปลี่ยนแปลงไปเป็นปทุกข์ังอนิจจันาตนาการอยู่ด้วยกันอาการของธรรมตั้งสามประการว่าเนอนิการทุกข์ ท, ก ท, กทั้ง น, น, นาการอยู่ด้วยกัน อยู่ในรัศดาเดียวกันยังให้กำหนดลูกทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดลูกเอาทุกในหละมากำหนดลูกกำหนดพิจารณาเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาก็ดีหรือเราอยู่ธรรมาเกิดความเกิดความ ป่วไยไข้เป็นทุกข เ, เวทันเรีนนาจากความเจ็บป่วไยไข้เจ็บท้องปวดทิสตาเป็นแห้งเจ็บขาอะไรก็แล้วแต่แสดงทุกขสัตขึ้นมาภาพทิมขึ้นมาทำรูปประธทังร่างกายขอยงเราแลนน้วเรามีนามมาทำืีใจเป็นผู้รูปเป็นผู้สัมผัสรับรูปว่าเจ็บตรงนั่งปวยตรงนี้ ที่ีเมอนมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นท่านจึงว่าให้กําหนดรูปคือไม่ใช่ละไม่ให้กําหนดละไม่หาวิธีละทุกเพรมันมีแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วให้กําหนดรูปคือว่าเอาทุเกเอาความเจ็บปวดนี่แหละมากําหนดรู้มาพิจารณาที่ ครบาอยจารย์ท่านสอนมาให้พิจรารณาด้วยปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาทุกที่เกิดขึ้นก็ไปเข้ากันกับธรรมกสติปัฏฐานสี่ฐานที่กำหนดรู้ตายเวทนาจิตธรรมคำว่าทุก์ก็เดียวเป็นทุกขเวทนานั่นเอง มีความสุขความสบายก็เป็นสุขเวทนามีกำหนดเอาเวทนาคือทุกขเวทนานื่อมันเกิดขึ้นแล้วแต่เรานั่งนานหรือเราเป็นโลกไข้ไ้เจ็บภาวนายกเอาโลคที่เกิดขึ้นให้ได้รับทุกขเวทนานากำหนดรูปมาพิจารณา ให้ตัวตั้งสติระลึกรูปปัญญารอบรูปในทุกขเวทนานในกองทุกขันั้นแห mm. งเวนอู ด, ด้วยสติสัมปชัญญะดี mm. ค, ความระลึกรูปและความรูปตัวด้วยปัญญารอบรูป ด, mm. ด้วยใ mm. ช้การแหงไม่ข้อถอย mm. เดี๋วเอากองทุกขันั้นะามาเป็น อารมณ์แน่งการรูกปการคิดนดี้ติการนาเมื่อคิตนี้มันมีที่แค่งที่ดูอยู่มันก็จะไม่แสบใส่ไม่พุง่งซ่าไม่คุ้ง แ, แตกไปกับเรื่องอื่นแต่รูอยู่ในสิ่เดียวจุดเดียวก็วกกวจะรวมรวมสูค่ความเป็นหนึ่งแห่งความรู คือความเป็นหนึ่งของใจนั่นได้โดยอาศัยคุกเป้าหมายและปัญญาทิพิจารณาโดยอนุมาลในเบ้อต้นด้วยปัญญาหยาบๆที่กำหนดรูปพบควรให้ควรไปมาอะไรเป็นทุกอะไรเป็นผู้รู้ทุกอะไรเป็นที่เกิดแห่งทุกให้ควรพิจิจารณา เตีต้นก็ด้วยการเท่มู่ด้วยสติสมาธิที่ยังไม่ละเอียดหนึ่งหนึ่งันจดจอทั้งเข่าจัดจอทั้งเข่าเรจะเป็นสมาธิที่แน่แน่จะเป็นสติที่แน่นหนามั่นคงเป็นกายเป็นสมาธิที่แน่นหนามั่นคงและปัญญาที่ประกอบด้วยสติและสมาธิเป็นเครื่องมุน เป็นตัวให้ปัญญาเดินแล้วง็มาใส่สติสมาธิเป็นแรงหมนุนปัญญาให้พลิกแทงหรือว่าดูจนละเอียดแล้วอธิพว่นว่าอะไรมันเป็นทุกข์แท้ปัญยาแห่งทุกข์เพื่อการแหง่งทุบบงกข์ มันเป็นอะไรแล้วมันสัมผัสที่ไหนไทยเป็นผู้รู้ทุกประเทศไทเป็นผู้ว่า น, นี่คือทุกข์แต่เมื่อมันไปช่วยด้วยสติและสมาธิปัญญาตรงคืนกันอยู่ในความทุกข์กันั้นมันก็จะแยกกันออกได้จิตก็คือความรู้หรือความนึกความคิดมันก็จะแยก เมื่อรวมเป็นความสงบเป็นความแน่แม่ลงไปปัญญาไม่ไ จ, จะเ ห, ห็นว่าความนึกความคิดนี่เป็นอันหนึ่งกเรียกวจิตตังส่นวนผู้รู้นึกรู้คิดนี่คือใจคใจใจืใจหรือปัญญาปัญญาใจใจแท่ใจเดือ มันจะแยกกันออกไปกองรูปเป็นกองรู้ส่วนอาการเวทนาที่ว่าทุกข์มันก็เป็นอันหนึ่งมันไม่ใช่อันเดียวกันลักษณะอาการคือว่าทุกข์เขเวทนาก็เป็นอันหนึ่งลักษณะแห่งกองรูปก็เป็นอันหนึ่งแล้วก็กายที่เป็นรูปก็เป็นอันหนึ่ง เมื่อปรชุมสติและสมาธิปัญญาลงในเป้าหมายที่เราเพ่งที่เราภาวนาจดจ่อดูมันจะแยกออกไปสุดทา้ายทุกพเวธนาความเจ็บความปวดหายไปความปุงฟุ่งสัด์สยยอย่างอื่นก็มันมีก็เหลือแต่ความรู้ คือเป็นข้ารูปคือใจคือผู้รูปเป็นหนึ่งของผู้รูปปัญญาที่เป็นผู้แจกแจงรอบรูปกะเป็นอาการนนหนึ่งเมื่อมันแยกกันด้วยปัญญาด้วยสติสมาธิและปัญญาอย่างนี้น เราก็จะรู้ความจริงแห่งธรรมว่าใจของเราเนี่ยกับภาการต่างๆมันเป็นคนละอยา่างแต่อาศัยใจนี่นเป็นที่เกินเป็นที่รู้เป็นที่สัมผัสเช่นก่ายกายคือการประสมแห่งธาตุก็มีความเป็นอยู่มีชีวิตซึ่งเนื่องกันอยู่ได้ด้วยกำลั ง, งของใจด้วพลังแห่ง ใจคผ่านรู้นี้และทุกขเวทานาที่มันเกิดขึ้นคือว่าเป็นสุกเป็นทุกข์ก็ อ, กอาศัยเกิดทุกติใจสัมผัสที่ใจนี้ทือู่านรูน้นีและอาการแห่งปัญญาที่เราฝึกผลที่แท น, นแยกแยะทำความเห็นให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ปัญญาอาศัยใจที่เกิดขึ้นเป็นที่เกิดของปัญญาถ้าไม่มีใจไ ม, ม่มีผู้รู้ไ ม, ม, ม่มีท่านรู้ปัญญาก็ไม่มีที่เกิดไม่มีที่สังหารมีรวมสิ้สมาธิปัญญาจึงว่ารวมอยู่ที่ใจแต่ความจริงเนียเขาเป็นคนและสิ่งและ อ, อย่างนั้นนี่ในเมื่อว่ามรรคที่คอบพระฏิบัติ เพื่อให้รูปความเป็นริมของของทุกข์ได้เกิดขึ้นแล้วคือปัญญาก็<ม>าจะไปแยกแยะความจริง น, นั่นแหละเมื่อตํางมารูปความจริงเนี่ยทุกข์ในใจไม่มีทุกข์ในใจในผู้รู้มันไม่มีแต่มีทั้งกมดนี้โดยสัจธรรมของเขามีการตา้นวารูปทุกข์ เพื่อจะให้เกิดผลเกิดประโยชน์ในการเข้าใจด้วยปัญญาหรือเป็นการ เ, เข้าไประงับทุกข์ด้วยสติและสมาธิเมื่อมันระงับหรือมันปล่อยวางด้วยอำนาจของปัญญาและที่มีใจเป็นธรรมชาติ รู้ไม่ลงแลก็ไม่มีอะไรกิดมาเป็นคิดเป็นไัย่ต่อความรู้รู้นั่นเองตรีกว่าสิ้นสุดอุปทานความยึดจิตเห็นจิต ด, ด, ด้วยอำนาจของปัญญาสมาธิจิตคือความเด็ชอบตามความเป็นจริงแน่ ทุกข์ที่อยู่ก็มีเป็นธรรมชาติของทุกข์แต่ไม่มาทุกข์ที่ใจทุกข์ไม่กองคืนอยู่กับใจมันแยกกันออกไปใ จ, จเป็นใจผู้รู้เป็นผู้รู้อาจารย์ยังทุกข์ก็เป็นทุกข์ในเมื่อมันยังมีการสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ระหว่างกายกับใจทุกข์ก็จะภาาดีขึ้นที่ ตายที่รูปประคันร่างกัยแต่ใจไม่เป็นวกด้วยเพราะว่าแยกกันออกไปด้วยปัญญาอันชอบแลยนี่คหอะสัะทธิรรมทุกคนกำหนดลูกท่านให้กำหนดลูปอย่างส่วนสมุทัยให้ทุกเกิดไป้แก่ตันหาที่ความอยากความอยากนี่เขาเกิดขึ้นที่ใจเนี่ย ไม่ไเกิดขึ้ น, น, นที่ไม่ได้เกิด ข, ขึ้นที่เมื่อที่หนังไม่เลยเกิดขึ้นที่แข้งขาที่เอ็นที่กระดูกอะไรของเราไม่ได้เกิดขึ้นที่ดินนะ้ำพายลมปัญหาที่ก้อนใหญ่เกิดขึ้ น, น, นที่ใจที่รูร้ๆนะ น, น, นี่แหละเนาการความอยาก เมือ่อมันเมื่อทุกข์เกิดขึ้นหรือสุขเกิดขึ้นปัญญาไมา่รู้ตามความเป็นจริงก็เกิดความอยากที่เรียกสมุทยัยความอยากอยากให้มีมมมให้เป็นอยากไม่ให้เป็นอยากได้อยากดีอยากมีอยากสุขอยากสบายเนี่ยมันเป็นอาการเกิดขึ้นที่ใจที่ท่านไม่ให้ รู้เท่าความอย่ากด้วยสติสมาธิและปัญญาด้วยด้วยมั้รู้เท่าความอยางด้วยมั้งือนสีสมาธิปัญญาได้สติสมาธิปัญญาควบคุมกันว่าอะไรเปนอยางอย่างเกิดนจากเหอะไรเตือนารความหลงเตือจากความไม่รู้ความจิ๋ง เนี่ยความสุขเกิดขึ้นทังง้งผัดกายก็อยากให้สุขอย่างนั่นเรื่อยไปเนี่ยทุกข์เกิดขึ้นจะล้มอย่ากให้ดดทุกข์ดัดไปมาพิจารณาความอยากรู้เท่าความอยากที่ท่านว่าความอยากมีควรล่สมุ ท, มทัยควรวะาและความอยากมีมละได้ด้วยสติสมาธิปัญญา ด้วยมากค์ูสติสมาธิปัญญารู้เท่ารู้ทันภายในความรู้คือใจของเราความอยากเกิขึ้นเมื่อตายสัมผัสความเย็นวอยากให้เย็นอยู่ อ, อย่างนั้นสบายอยู่อย่างนั้นตลอดไปแต่มันเป็นไปไม่ได้สิ่ใดเกิดสิ่นั้นดับ เมอมีความสุขให้สุขตลอดใจเมื่อทุกข์เกิดเมื่อทุ่มหายไปดับไ ป, ไปก็เลยกลายมาเป็นทุกข์เพราะอุปทานเพราะประยึทด้วยอำนาจของความโลมที่ใจที่เกิดขึงที่ใจเพราะ น, นั่รู้เท่าทันความอยากใช้ปัญญาที่ยึดที่เกิดมาสอนใจแต่สิ่งที่ใหญ่ มีเหตุมีผลอย่างไรมันเป็นโทษเป็นคุณอย่างไรเพราะถ้านมัญอยากแล้วมันเป็นโทษความอยากเกิดขึ้นคือท่านบอกความอยากนี่แหละเป็นลูกสอนยิ่งแทงใจคือความรู้รูปความกินก็ไม่ได้ยิ่มแทงอะไรแต่ว่าความรู้ที่ยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่ประก่อเพื่อปัญญาชอบมันก็หลงยึดเรียกว่ากุปัญทาน เกิดความหลงด้วยความแม่รูปการเป็นจริงไม่ต้องใช้ปัญญาลอกลู้ในต้องอยากการอยากที่เกิดขึ้นในจิตใจใเพราะฉะนั้นในสัจธรรมท่านสี่อย่างที่ว่าภูมิสมุทรไทยโยนมั่งตรงทุกันเป็นผลเหตุที่จะให้มีความทุ่มไปจากเกิดขึ้นเพรความอยาก มักมันเป็นการปฏิบัติที่จะไปลบล้างความอยากนั่นถ้าความอยากไม่มีทุกข์ก็ไม่มีควมํว่าความดับทุกข์ทุกข์ก็ดับไปหรือว่าบวเม็แจ้งมีโรทะมีโลควันทำให้แจ้งก็แจ้งด้วยสติสมาธิปัญญาไม่ได้ไม่ได้แจ้งด้วยอย่างอื่น แก้งด้วยยูยูเนี่ยจะให้แกงแก้งขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้ต้องมาใช้เหตุให้เกิดความแกล้แกงดูมัดแต่สติสมาธิปัญญาหรือศี้สมาธิปัญญานั่นเองในรวมลมมาสาุธาราการประพฤติปฏิบัติธรรมะหรือประพฤติปฏิบัติให้เกิดความเป็นธรรมเป็นเครื่องนําออกจาก ทุกทั้งกายและทั้งใจได้อาศัยการปฏิบัติให้เป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาคือให้ใจนั่นแหละให้ศีลสมาธิปัญญารู้สติสมาธิกัญญาเกิดขึ้นที่ใจมีขึ้นที่ใจที่ผูรู้นั่นเองเพราะ้านการปฏิบัติธรรม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 ความรู้ตัวเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังเทศค์ฟัธรรมก็ดีเวลาเรากำหนดจิตใจรวมเขา้าทำสมาธิภาวนาก็จิงต้องดูว่าสติความบรรลรู้มีกำลังไหมรอรู้อยู่ไม้ความรู้ในจิตของเราหรือในอารมณ์ที่ให้รู้ ลงหายใจเข้าหายใจออกันลึกรู้ต่อเนื่องแม่ขแม่เป็นสายโซ่หรือว่าถ้ามันขาดวักขาดตอนขาดตะพันตะแทกถ้ามันขาดว่าขาดตอนขาดตะพันตะแค่ยู่จะไม่มีกำลังเพราะฉะนั้นเป็นต้องตั้งใจจงใจต้องหนดรูปกำหนดระลึกรูปรู้อาลมหายใจเป็นหลัก ู้หายใจเข้าหายใจอรกเรู้ตัวเํามารู้ตัวก็คือรู้ใจระลึกรู้รู้รอบในความรู้เว่ารู้นใจรู้รอบใจจิตระลึกรู้สัมปชัญญะรู้ใจรู้ความรู้เมื่อรู้ความรู้มันจะมีความนึกความคิดอะไร มันก็ไม่ไหลไปตามอารมณนน์มันให้ชียู่มันพุทโตพุทโตมันก็จะตรงตืนกันอันนี้ปฏิบัติให้ตอนเนื่องแต่ไม่มีการไม่มีเวลาแล้วกำหนดเป็นขั้นเป็นขาวอันนี้เป็นการฝึกสั่งสมเพื่อให้มีกำลังเพิ่มปูนขึ้น ที่นี่จะให้มีกาลัง ม, ม, มากๆให้มีกาลังต่อเนื่องแ ต, แต่ต้องให้ถอดุละติว่าธรรมะเป็นอาการลิบโตไม่มีการไม่มีเวลาเรากําหนดสติะระลึกรูปเพราะว่าความรูปเป็นอาการอันหนึ่งความระลึกรูปเป็นอาการหนึ่งกําหนดให้ะระลึกรูปเป็นคู่กับความรูปคือใจ ให้ต่อเนื่องกันแต่ในเวลาภาวนาเป็นติงให้เอาคําว่าพุโทโธเป็นคำบริกรรมแลกวก็ระลึกรูป ก, กับคำบริกรรมกับลมหายใจเข้าหายใจออกสามอย่างลมหายใจคาบริกรรมแล้ก็ความระลึกหรือสติกลมกลืนกัน เป็นอันหนึ่งอนเดียวแันแน่เวลาเราหยุดนัง่งสมาธิภาวนาเราหยุดเกินตรงตรงหยุดเกินภาวนาแล้วแตเดินไปอะไรทำธุรกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ส่วนธรรมะไม่มีการไม่มีเวลาคือสติทาบริกรรมใจความรู้ ให้เป็นเพื่อนสองของกันด้วยกันนี่แหละเมื่อตรงตื่นกันไม่ขาดวัคขาดตอนมีช่วงทำเผอในวัสฏิสมบูรณ์และความสงบความเบากายเบาใจ้าการที่แปลกประหลาด จ, จะแสดงขึ้นมาให้เราได้ รู้ได้สัมผัสที่ใจเห็นที่ใจรู้ที่ใจเออเป็นสิ่งที่แปลกปราเนี้ยเราเล่มอยู่ก็บสบายเราทำกิจการนานอะไรอยู่ก็บสบายไม่หนักไม่น่นวงเนี่ยเพราะอำนาจของสมาธิทำคือสติต่อเนื่องกันเป็นภรา จะแสดงความเบากายเบาใจเราจึงเหมือนกับตัวของเราลอยเราเดินไปตามพื้นดิเหมือนกับลอยไปลอยมามันจะแสดงให้เรารู้สังเัตเพื่อตัวของเราเองเพื่อตำลันแหงมักคือสติสติมักสังเกตสัญอยากมัก คือเริญให้เกิดให้เป็นในจิตของเราสมาธิมั่นของมั่นคงของความรู้คือใจไม่หวั่นไหวใสแสบตามจิตวิยาของสังถามคือจิตวิยาของสัญญาจำสิ่งโน้นหมายสิ่งนี้ปุงสิ่งนั้นไม่คิดสิ่งนีไม่ทำเหลือ หปตามมนก็จแสดงความมั่นคงแห่สติและปัญญาให้เกิดขึ้นที่มีเรื่องคงรูปความเห็นตามความเป็นจริงันเป็นนามธรรมอะนั่นก็จะเกิดคล้องรูปคลเห็นขึ้นมาได้ด้วยสังขารที่น้องไปท้าเรียวิโต ท่ตกทีก่จางคือน้อคนความรู้ความนึกความคิด น, นึกคิดไปในทางที่มันเป็นจริงเพื่อที่จะพูดคุยหน้กกาตาี้เอาหลักแห่งไปแล้วคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเจือไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นจริ เป็นหินนปัญญาเป็นหินรับปัญญาให้ปัญญาที่หรือว่าให้ปัญญาเนี่รู้ตื่นเบิกบานเหมือนเป็นแบบเราเอาเหล็กเหล็กที่มีสนิมเกามากๆไป็นด้วยหินฝนไปจนสนิมนั้นลุกออกไปก็จะเห็นแต่เมื่อเหล็กสีขาวนู้สุกเป็นเมื่อของเหล็กที่แท้จริง ให้รมาันใจนี่เป็นที่เกิดของอาสวะคือฆ่าลูกคือใจเป็นที่เกิดของอาสวะเป็นที่เกิดของความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างๆเพื่อทําให้ใจเป็นทุกข์ความจริงมันเลยเป็นทุกข์เป็นลูกลูกความทุกข์เกิดขึ้นแบบนั้นเองลูกความทุกข์เกิดขึ้นก็เหมือนแต่ว่าความทุกข์ อยู่ในใจนั่นแหละที่นี่เมื่อเรามารอร้อมด้วยอํานาจของสติสมาธิและปัญญาทุกขั้งหลายเหล่านะั้นมันก็จะเป็จนะนละอาลา่านไปไม่มาเป็นทุกข์ที่ใจใจมาเป็นทุกข์ทุกมาเป็นใจก็แยกเป็นกิริยาการละอาลา่านออกไป จา ก, กันได้ด้วย น, นาของปัญญา ป, ปัญญาสติสมาธิปัญญาเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องขัดเป็นเครื่องรอร้องเป็นเครื่องบัดเป็นเครื่องขัดอาสวะออกจากใจงั้นก็แปว่านี้มันเป็นที่ขัดเสน่หเห็พราะนั้น อันนการทุกขาา์ธรนิสต่ายธรรมคืออันนี้แต่ธรรมทุกขะธรรนอนัตถธรรมอันนี้เป็นหลักเป็นก้อนหีนผลปัญญาเพื่อให้ปัญญานิพุลสุดหมดจดน้อมลงสู่ตอนไม่เทีย่ยงวามเป็นทุกข์ตอนหาตัวตนไม่มีเมื่อความอยากมันเกิดขึ้น อยาได้สิ่งมด่ อ, อยากมีสิ่มัน่นพน้อมลงสู่ความเป็นภูเขามไม่ใช่ตัว ต, วตวนตวามเปลี่ยนแปลงทนอยู่ไม่ได้คือลักษณะสามนี่เขาก็เป็นลักษ ณ, แกษณะแห่งสันติธรรมคือความไม่เที่ยนเป็นทุกขาไม่ใช่ตัวตนเมื่อมาเข้าใจในนิจังทุกคามนักตา่าง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 ว่าว่างจากความเป็นตัวเป็นตนว่างจากสมมติเพราะรู้เท่าสมมติว่างจากบรรยัติเพราะรู้เท่าบรรยัติวางสมมตวิวางบรรยัติก็ลงสู่ความเป็นธรรมชาตธรรมดาของธาตรู้ของความรู้ลงสู่ความเป็นใจรู้ธรรมดา ใจมายังดีดีแรงไม่มีความโรคความโปวดความรักความช้งเข้ามาทิ้งแทนอยู่นในจิตใจดจไม่มีความตึงเครียดต่อสิ่งเหล่านี้ใจก็ไม่มีภูมิจริงเราแยกภูมิออกจากใจแยกภูมิออกจากใจแยกภูมิออกจากกายแยกภูมิออกจากสมมูล แยกสมมติตออกจากความเห็นคิดในใจท่านความเห็นชอบถึงว่าปัญญาสมาธิติด ท, ท, <c oughs> ทความเห็นชอบม <c oughs> ความเห็นชอบเป็นภูมิท่านทุกสิ่งทุกอย่างมันหมด คิดหมดไทยหมดปัญหาใดๆไปทั้งหมดสิ่งสุดปัญหาแห่งความทุกข์ความวุ่นวายลงจากจิตใจใจเป็นธรรมชาติรู้โดยส่วนเดียวใ่การทุกทั้งหลายทั้งปวงได้ด้วยการปกุบปกปิด ตามหลักแห่งศีลธรรมบรรทุกทั้งหลายได้ด้วยคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณของครูบาอาจารย์ท่านได้อบรมแนะนำท่องสอนพวกเราตามหนทางที่ชอบเพื่อให้ัวเราเจอศีสมาธิปัญญา ให้ทำบุญทำทานให้รักษาศีลให้เจริญเมตตาภาวนาให้คนว่าในรูปธรรมนามธรรมจิตใจปัใจด้วยสติสมาธิและปัญญาทำชอบที่สร้างขึ้นให้มีขึ้นด้วยต้นอุ้งเปิ้ล เมื่อเราได้ขึ้นเขาดูเป็นการกระทำผสมขึ้นกุบาาใจเขาดูเป็นการเป็นติขึ้นการทำเป็นติขึ้นกระสมเป็นที่ขึ้นกุบาลใจเป็นที่ขึ้นและก็จะรวมเข้ามาเป็นตัวของเราเองเป็นที่ขึ้นของเราหรือว่าทำเป็นี่ขึ้นของใจหรือใจเป็นทติขึ้นของใจเองีด้วยการตึ่นปฏิบัต ให้ถูกต้องตามวิทางอันซ่อบรวมเข้ามาแล้วในกายจิตใจของเราเพราะฉะนั้นให้ทำความเห็นให้ถูกเมื่อยิ่ยนยความธรรมะเป็นเครื่องอบรงใจเพื่อให้เกิดสติเพื่อให้สร้างสติได้สมาธิให้มั่นคงและสร้างปัญญาชอบ ให้เกิดขึ้นในกินในใจของตัวเราเองแต่ละท่านแต่ละคนเป็นของจำทอดตนที่ขั้นติวปฏิัติกรรมเวยที่ตะโพลิูบิบิญูโซนผู้ประพฤติปฏิบัติการทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นผู้รู้เองอย่างเองจำทอดตนสิ่งผู้รบร้างความผุก ออกจากกิจจากใจได้เฉพาะตนเรียกว่าพึ่งตนเองอัตตาอิอัตตโนมาโธตนแระเป็นที่พึ่งของตนในที่สศพเบื้อต้นเราพึ่งพระพุทิเจ้าพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์พึ่งอุบาสกจารย์เป็นที่พึ่งจริงอิจารใสเพื่อการสึบหาปฏิบัติที่ร่มรูปคู่คราน ให้เกิดความแข็งแรงขึ้นมาเกินตนของตนเองสามารถควบคุมตนเองได้ทุกการปฏิบัติโดยตนของตนเองให้เข็งแรงขึ้นมาได้เป็นรู้จริงเห็นจริงในสภาวธรรมทั้งหลายด้วยปัญญาชอบดังที่กล่าวมาเราทุกเราก็จะได้เป็นผู้มีความสุขที่เป็นหนามต่าง ความสุขที่ไม่ตายสำหรับความสุขในโรคในโลกีแะสุขนี่ยมันก็เป็นความสุขลุ่มๆดดอนทที่พวกเราได้รู้ได้เห็นได้สัานมานี่แหละสุขเพราะความได้ความมีสุขเพราะยาได้อะไรแตได้ตามความอยาได้มาแล้วตกเป็นพวกยาอื่เรื่อยไปพม่นี้ที่ allora. ข, ข a a ึ้น ja ตัไม่เหมือน สิ่งที่ได้โดยทำคือปัญญาธรรมความเข้มมันชอบซึ่งมีสติและสมาธิหรือว่ามีทางศีลภาวนาเป็นเที่ยนอ้นนี่แหละเป็นสมบัติกันเลิกสมบัติกันเผชิญการที่สุดแทงทุกให้เกิดให้มี้ึ้นที่ใจของเรา ได้จริงในวันนี้ได้นำธรรมะควาสอนขององค์สมเด็จมาสั่าานคุณของพน๊ผู้สัญญาประทำประสมดู่ายายมาซีแดงาซีแจงแสดงเพื่อให้พวกเราหลายได้ยินได้ฟังแด้ตรงกำหนดจดจำไว้ที่ใจและนำไปรพฤตปฏิบัติ ให้เป็นจิตวัตรปฏิบัติให้เป็นนิสสีนิทานวัคคตาตอนต่อจากนั้นไปพวกเราจะได้รับผลคูอความ ส, สมบูรณ์แห่งธรรมะด้วยการทำบ่อนเองของเราแต่ละท่านแต่ละคนเมือ่อได้ยินไปฟังแล้วจงโอกรายิโหนน้อมเข้าสู่ใจน้อมใจของเรา ให้ดีในการประงขึ้นปฏิบัต e ิตามศีลธรรมตามที่กล่าวมาและประดัแต่ลความสุขความเจริญเพื่อหน้แห่งบุญของพระพุทธเจ้าารทำเดิมสงบุญกุศลที่พวกเราทำาีหลานการทำความเป็นและและรวยบารมีธรรมขององค์ท่านต่อเพื่องโซจิโก ซึ่งเป็นต้นเหตุเป็นฐานเป็นประธานที่จะให้พวกเราได้มาทาํำคํามเพ็ยรคุณกุศลคุณงามความดีในวันนี้จงรวมเป็นพระเป็นกาลังเป็นเดชานภาพอันยิ่เป็นอนุภาพแห่งคุณของพระพุทธเจา้าอภาพแห อนุภาพแห่งคุณของพระอริยสงฆสาวกอนุภาพแห่งคุณของพระบุรพายจารุวาจารและอนุภาพแห่งการประพฤติดีปฏิปักษอของพวกเรานี่เองจงเดินบรรดาลหรือเป็นกำลังให้พวกเราททั้งหลายจงประสบ ความสุขความเจริญคุณงามความดีด้วยอารุวันนะักสุขะภะิปฏิภาณพน า, าสารสมบัติมีความสุขสบายสบายใจถึงพร้อมด้วยสมบัติปัจจัยสีเพื่อนอาศัย ตามที่เราเปรารถนามีความสุขตายสบายใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกพันทุกคนเธอ